50 languages. n i n e n สันธานหนึ่ง u d h a k 1. รอจนฝนหยุดก่อน t h e r jadotak barish nahi rukdi. รอจนดิฉันเสร็จก่อนแทโร่จนถึงตอนนี้มีราพูดไม่หุนดา้ารอจนกว่าเขาจะกลับมาแทโร่จนรึงต อ, อ, อนนี้เขาไม่กลับมาดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้งแมรุกังกาจนรึงตอนนี้ผมไม่รู้สุกสนันเด แม่รุกังกีจาจะไมเรวลสุขไม่นดดฉันรอจนกว่าหนังจะจบจนกฟิล์มจตจบไม่จัดีแม่รุกังก์จนก่าิมจะจบไม่จดีแม่รุกงกีดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจนกาฮารีบัตตีไม่จันดีแม่รุกังก จะต้องทาค่ะฮาริบติไม่หดีแม่รุกังกีคุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ตุสิชุดีย์วชิกคิทธ์ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือภารมิตรย์ุดีย์ตัไปละใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่มฮะภารมิตรย์ชุดียูรูอนตไปล ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มฤดูหนริ่มตนตัวไปนะชาททีกัโรล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะเมืจเตะเบรทนตัวไปเนละาปัยหาทตวล ว, วปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกตัสีบาร์จานตัวไปเลยกีบันทึ คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ตุสิวปัปป س ์คาร์กัต้องออดวาเล่ฮ์หลังเลิกเรียนหรือคลาสตัวบาดค่ะหลังเลิกเรียนฮะคลาสขั้มฮูดตัวบาดหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทํางานไม่ได้อีกต่อไป อุสเดा่าลหาศว์ว่าพรุ่งนี้ต่อมาเขาไม่สามารถทำได้หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกาอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสเดนอุสอเดนอ